ยาซีเรียสเรื่องงูตัวร้าย<ฮะ>มีงูตัวร้ายอาศัยอยู่ในป่า น, นอกหมู่บ้านมันมีพิษภัย มุ่งร้ายและเห็นแก่ตัวอันกัดคนแค่เพราะนึกสนุกและเพื่อความเพลิดเพลินเมื่อเจ้า ง, งูตัวร้ายตัวนี้อายุมากขึ้นมากขึ้นตามอายุไขของงูมันเริ่มสงสัยว่างูตายแล้วไปไหนตลอดชีวิตที่ขู่ฟอ่ฟอฟของมันมันดูถูกเหยียดยามศาสนาและบรรดา ง, งูที่ในความเห็นของมัน งมงายหลงเชื่อเรื่องไร้สาระเช่นศาสนาแต่บัดนี้มันเองก็ชักจะสนใจขึ้นมาแล้วบนยอดเขาไม่ไกลจากหลุมที่พักของเจ้างูร้ายเป็นที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ผู้ถือศีลภาวนามักอาศัยอยู่บนยอดเนินเขาหรือภูเขาแม้แต่งูนักบวชก็เช่นเดียวกันมันเป็นธรรมเนียมนะ่ะ ยังไม่เคยมีใครได้ยินว่าผู้ถือศีลภาวนาอาศัยอยู่ในปลากตมนี่นะวันหนึ่งเจ้างูร้ายตัดสินใจจะไปเยี่ยมงูศักดิ์สิทธิ์มันใส่เสื้อฝนแว่นตาดำและหมวกเพื่อพรางตัวไม่ให้เพื่อนจำมันได้แล้วมันก็เลยขึ้นเขาไปที่วัดของงูศักดิ์สิทธิ์ มันไปถึงขนาที่งูบาอาจารย์กำลังสั่งสอนอยู่ทันขคดอยู่บนก้อนหินและงูอีกหลายร้อยตัวกำลังฟังอยู่อย่างใจจดใจจอ่อจะงูร้ายเลื้อยเข้าไปบริเวณ ร, ริมริมกลุ่มงูที่ชุมนุมกันอยู่ใกล้กับทางออกและเริ่มฟังบ้างยิ่งฟังมากขึ้นเท่าใดมันก็ยิ่งรู้สึกว่าสมเหตุสมผลมากขึ้นเท่านั้น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 เมื่อชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังตั้งใจฟังเพลงจากเครื่องวอล์กแมนเต้นรำผ่านเจ้างูตัวร้ายนั้นเขาจึงได้เห็นว่าเจ้างูร้ายไม่ได้ฉกกัดเขาแถมยังยิ้มอย่างผู้ปฏิบัติธรรมเสียด้วยตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ว่าเจ้างูร้ายตัวนั้นไม่น่ากลัวอีกต่อไปพวกเขาสามารถเดินผ่านมันไปมา ขณะที่มันขดสมาที่อยู่นอกกลุ่มของมันแล้ววันหนึ่งเด็กเกเรกลุ่มหนึ่งจากในหมู่บ้านก็ได้มาแย่มันเฮ้ยไอตัวเลื้อยดึงๆึงพวกเขาส่งเสียงยอกเย้ยมาจากระยะที่ปลอดภัยถ้าแกยังมีเขี้ยวอยู่ล่ะก็โชว์ให้พวกเราดูหน่อยสิโว้ยไอ้นอนอ้วนแกมันก็ไอขี้คลาด ตุ๊ซีเสื่อมเสียสายพันธ์หมดมันไม่ชอบที่จะถูกเรียกว่าไอ้ตัวเลื้อยดึงดึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงอยู่บ้างหากจะต้องบรรยายลักษณะของมันและมันก็ไม่ชอบถูกเรียกว่าไอ้หนอนอ้วนด้วยแต่มันจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรมันได้สาบานไปแล้วว่ามันจะไม่กัดใครเมื่อเห็นว่า เจ้งูตัวนั้นไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบใดๆพวกเด็กๆก็ยิ่งเหิมเกริมขึ้นถึงกับปาก้อนหินก้อนดินใส่แล้วหัวเราะชอบใจเมื่อปาถูกเจ้างูรู้ว่ามันเร็วพอที่จะฉกกัดเจ้าเด็กคนใดคนหนึ่งแต่คำสาบานห้ามมันไว้ดังนั้นเด็กๆจึงเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น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 มันจึงเลยขึ้นไปบนขาวด้วยความเจ็บปวดเพื่อไปหางูนักต้มตุนตัวนั้นและเพื่อจะไปถอนคําสาบานของมันด้วยงูศักดิ์สิทธิ์เห็นมันขึ้นมาอย่างสะบักสะบอมและฟกช้ำไปทั่วตัวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้างูร้ายคร่าครวญด้วยความขมขื่นว่าทั้งหมดน่ะเป็นความผิดของท่านแท้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 เจ้าช่างเป็นงูที่งี่เง่านักถูกต้องแล้วที่ข้าสอนไม่ให้เจ้ากัดใครแต่ข้าไม่เคยห้ามเจ้าไม่ให้ขูฟ่ฟอ่อๆน่ะใช่มิล่ะบางครั้งในชีวิตแม้แต่ผู้มีใจบริสุทธิ์ก็ต้องแสดงท่าขู่ให้เกรงใจแต่ไม่ต้องกัด